สังสารวัตของคนผานพระพุทธภาสิทธิดีคาชาคราโตรัติดีคังสั้นตัสยโยชนังดีโคบาลานะซั่งซาโรสัทธามังอวิชานตังแปลว่าราตรีของผู้ตื่นอยู่ยาวนานระยะทางหนึ่งโยสําหรับผู้เมื่อยลาแล้วเป็นทางไกลสังสารวัตรคือการเวียนไหวาตายเกิดของคนผานผู้ไม่รู้พระสัทธรรมเป็นของยาวนาน อธิบายความพระอัฏฐกถ า, าจารย์อธิบายไว้ดังนี้ราตรีหนึ่งมีอยู่สามยามเท่านั้นวงเล็บเปิดคือยามต้นยามกลางและยามสุดท้ายแบ่งเป็นยามละสีชั่วโมงวงเล็บปิดแต่ราตรีนั้นย่อมปรากฏเป็นที่เป็นเวลาที่ยาวนานและเกินสําหรับผู้ที่มิได้หลับด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นพระผู้ทําความเพียรตลอดคืนอย่างรุ่งเพื่อบรรลุธรรมพระธรรมกถาถือผู้แสดงธรรมและผู้ฟัง ผู้ที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนเช่นปวดศีรษะตลอดคืนเป็นต้นผู้ถูกจองจําทําโทษมีการถูกตัดเท้าเป็นต้นผู้เดินทางไกลต้องเดินทางตลอดคืนเหล่านี้ล้วนรู้สึกว่าคืนหนึ่งยาวนานเละอเกินเหมือนสามสี่คืนส่วนผู้หลับนอนยังเกียดคล้านทําตนให้เป็นเหยื่อของเลือดนอนกลิ้งเกลือกอยู่จนพระอาทิตขึ้นพอดีผู้เสพกามบริโภคอาหารชนิดดีตอนเย็นแล้ว เขานอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มด้วยบุตรและพัญญาก็ดีย่อมรู้สึกว่าคืนหนึ่งน้อย น, นิดเดียวนอนยังไม่ทาําเป็มอิ่มยอดหนึ่งมีสี่ขาวุตรเท่านั้นแต่สําหรับผู้เดินทางจนเหนื่อยแล้วย่อมรู้สึกว่าไกลเละเกินเมื่อยังไม่เหนื่อยยอดหนึ่งดูไม่มากนักเมื่อเหนื่อยแล้วยอดหนึ่งย่อมปรากฏเหมือนสามสี่ยอดส่วนสังสารวัตรของคนผ่านผู้ไม่รู้ประโยชน์โลกนี้และโลกนั้นผู้ไม่รู้พระสัตธรรม ย่อมยาวนานโดยปกติสงสารนั้นยาวนานอยู่โดยธรรมดาของมันแล้วสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้ยาวนานรู้เบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากยิ่งสงสารของคนผานย่อมยาวนานห น, นักขึ้นไปอีกมองความจริงอีกด้านหนึ่งโดยถือเอาพระพุทธภาษิตนี้เองเป็นนัยยะว่าวันคืนจะนานหรือไม่นานระยะทางจะยาวหรือสั้นนั้นความรู้สึกของบุคคลมีส่วนสําคัญอยู่มาก เวลาเท่ากันแต่คนหนึ่งรู้สึกว่านานเพราะกําลังตกอยู่ในพุงทุกอีกคนหนึ่งกําลังหันษาอยู่ในความสุขความเพลิดเพลินย่อมรู้สึกว่าประเดี๋ยวประเดาดและเกินเดือนปีก็มีเท่านั้นแต่สําหรับคนที่ตกอยู่ในภาวะอึดอัดขับแค้นเดือนหนึ่งเหมือนหกเดือนปีหนึ่งเหมือนเจ็ดแปดปีถ้กใครสามารถชื่นชมต่อวันเวลาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะล่วงไปอย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งวันเวลาของผู้รอคอยย่อมปรากฏเหมือนานานหลือเกิน ทางนี้เพราะใจมัวไปจดจ่ออยู่ที่เวลาอย่างเดียวเวลานั้นถ้าเรายิ่งเอาใจใส่มันมากก็ยิ่งรู้สึ ก, กว่านานถ้าเราทำลืมๆมเสียก็ไม่นานระยะทางก็ทํานองเดียวกันยิ่งเมื่อยมากระยะทางสั้นก็เหมือนยาวถ้ากําลังยังดีอยู่เดินไปได้อย่างสบายๆระยะทางก็ไม่ยาวความรู้สึกของคนมีความสําสคัญอยู่เป็นอันมากแต่เวลาและระยะทางนั้นคงเดิมความจริงอีกแง่หนึ่งในทางปรัชญา เวลาและระยะทางนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงเวลาเป็นกระแสอันหนึ่งที่ไหลยอยู่ไม่ขาดสายไม่มีขีดขั้นกำหนดแต่เราไปกำหนดมันขึ้นมาเองว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้ระยะทางก็เหมือนกันเราไปกำหนดมันขึ้นว่าเท่านั้นเท่านี้รวมความว่าเป็นเรื่องการสมมติเมื่อสมมตินั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วก็กลายเป็นสัจจะอย่างหนึ่งขึ้นมาท่านเรียกว่าสมมติสัจจะส่วนความจริงอันแท้จริง อนติเมตพูนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านเรียกว่าปรมาทิตยจจะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ไม่ขึ้นอยู่กับสมมติหรือความเข้าใจของคนตัวอย่างเช่นระยะเวลาเป็นของมันอยู่อย่างนั้นใครจะว่านานหรือเร็วก็เป็นเรื่องของคนนั้นมันไม่รับรู้ด้วยระยะทางเท่านั้นมันเป็นอยู่มันอยู่ของมันอย่างนั้นใครจะว่าไกลหรือใกล้ก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นที่จะทะเลาะกัน แต่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนเมื่อคนใดเข้าถึงความจริงได้คนนั้นก็ได้รู้จริงเห็นจริงคนที่เข้าไม่ถึงก็จะเข้ามาทะเลาะ ก, กับเขาอีกจนกว่าจะรู้แจ้งขึ้นมาจึงพูดเหมือนกันนักปรัชญาได้แสแวงหาสิ่งนี้อยู่เป็นอันมากแม้นักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันก็พากันสแสวงหาว่าอะไรคือความจริงอันสูงสุดของสิ่งนั้นนั้นคกว้าไปทําบันทึกไปนานๆก็ยุติกันเสียทีหนึ่งว่า สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ล่วงไปสองร้อยสามร้อยปีก็มีคนยืนขึ้นค้านว่าไม่ใช่ความจริงต้องเป็นอย่างนี้พร้อมทั้งเสนอขอ้อพิสูจน์ของเขาเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเห็นด้วยยอมรับทฤษฎีนั้นก็เชื่อกันไปทั่วโลกเสียคราวหนึ่งคนธรรมดาสามัญที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปด้วยเพราะเชื่อเสียแล้วว่านักวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรสิ่งนั้นเป็นสัจจะนักวิทยาศาสตร์ได้ทําเครดิตไปดีมาก พูดถึงเรื่องสงสารคือการเวิยนว่าตายเกิดของคนพานยาวนานเพราะคนพานยิ่งอยู่นานยิ่งทําชั่วเหมือนคนติดคุกเพราะความชั่วบางอย่างแล้วไปทําชั่วในคุกอีกทําอยู่เรื่อยๆการเพิ่มโทษก็มีมากขึ้นตามเวลาที่ล่วงไปไม่มีโอกาสออกจากคุกจนตลอดชีวิตท่านว่าความชั่วนั้นยิ่งทํายิ่งมากส่วนความดียิ่งทํายิ่งหมดคือหมดความดีที่จะทําก็เป็นพระอรหรันต์ แปลว่าที่สุดของคนดีนั้นมีอยู่แต่ที่สุดของคนชั่วไม่มีสงสารของคนผานจึงยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดในระยะทางนั้นก็ต้องเรีบรับทุกนานาประการเหมือนคนติดคุกต้องถูกจองจำทำโทษพระเจ้าตรัสพรพุทธภาสิตนี้ที่วัดเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบเรื่องพระเจ้าประสริิที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ เรื่องพระเจ้าปเปเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลสเสด็จเรียบพระนครทรงช้างเผือกชื่อปุณธริกะซึ่งประดับด้วยขาชาพรทั้งปวงสมควรแก่ราชบัณฑนะคนทั้งหลายทางห้อมล้อมเพื่อมองดูพระราชาตำรวจหลวงต้องคอยเอาไว้เขี่ยนตีให้คนเหล่านั้นหลีกทางถึงกระนั้นคนเหล่านั้นเมื่อกำลังถูกไล่ตีอยู่ก็ยังเอี้ยวคอมาดูพระราชาท่านวาด นี้เป็นอณิสง์แห่งทานที่พระราชาเคยทรงบำเพ็ญมาอย่างดีเมื่อประทักษิณพระนครมาถึงปราสาทหลังหนึ่งพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงงามโผล่หน้าต่างออกมาแล้วหลบเข้าไปปรากฏแก่พระองค์ประหนึ่งดวงจันทรเพ็นหลบเข้ากลีดเมฆทรงมีพระหลือไทยปฏิพัทธ์อย่างรุนแรงในหญิงนั้นทรงอ่อนเพรียงเหมือนจะตกจากคอช้างรีบประทักษิณพระนครแล้วเสด็จเข้าเข้าพระราชมทีนรับสั่งให้อมาต์คนหนึ่งไปสอบถามดูว่า หญิงนั้นมีสามีแล้วหรือไม่เมื่อทรงทราบว่ามีสามีแล้วจึงทรงวางอุบายเพื่อฆ่าสามีของนางแล้วนำนางมาเป็นบาทบริจาริการับสั่งให้หมัดไปเรียกสามีของหญิงนั้นมาชายนั้นรู้ทันทีว่าภัยอาจเคยขึ้นแก่ตนเพราะความสวยของพันยาเป็นเหตุแต่ไม่อาจขัดขืนพระราชองค์การได้จึงจำต้องเข้าฟากเธอจงอยู่กับเราบรงเราพระราชาตร์เมื่อบุุษนั้นมาเฝ้า อย่าเลยพระเจ้าค่ะเขากราบทูลขอให้ข้าพระองค์ประกอบอาชีพและถวายสวยเป็นราชภีอย่างที่เคยทํามาต่อไปนี้ไม่ต้องให้สวยเป็นราชภีให้เธออยู่บํารุงเราแทนพระราชาทรงกําชับ พ, พระราชาตอบดันั้นแล้วรับสั่งให้หมอบโลและอาวุธแก่บรุษนั้นรวมทั้งเครื่องแต่งกายแบบมหาเล็กเขาไม่สามารถขัดขืนได้จึงจําใจต้องรับที่พระเจ้าเปเสนที่ทรงกระทําดังนั้น เพื่อหาโอกาสหาความผิดให้เก่เขาแล้วลงพระราชาอาญาฆ่าเสีให้ถึงตายแล้วริบเอาพัญญามาเป็นของพระองค์ชายนั้นรู้ความประสงค์ของพระราชาเหมือนกันจึงพยายามระมัดระวังปฏิบัติบำรุงโดยไม่ประมาทเพราะความทั้งพลาดเพียงเล็กน้อยย่อมหมายถึงชีวิตของตนวันเวลาล่วงไปความเร่าร้อนทางกาม เร่งให้พระราชาพยามองหาความผิดของมหาเล็กนั้นถี่ขึ้นแต่ก็หาไม่ได้จึงรับสั่งให้มหาเล็กทำสิ่งอันเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะพึงกระทำได้โดยง่ายคือรับสั่งให้เขาไปทำให้เขาไปนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลในท้องทะเลลึกมาถวายให้กลับไปให้ทันเวลาทรงสงสนานตอนเย็นถ้าทำไม่ได้นำของเหล่านั้นมาไม่ทันก็จะลงพระรัทอาจยาถึงชีวิต จะทำได้หรือทำไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งให้ไปทำก็ต้องไปไม่มีข้อแม้ท่านว่าพวกธาตยังลำบากน้อยกว่าพวกราชทสเวกคือมหาเล็กสอีกเพราะพวกธาตยังมีโอกาสบอกว่าโปรดหัวตัวร้อนได้บ้างแต่พวกมหาเล็กทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งเป็นต้องทำดังนั้นบกรธนั้นจึงคิดว่าเราต้องทาเป็นแน่แท้ดินสรีอรุณและดอกโกมุต ดอกอุบลที่พระราชาต้องการนั้นเกิดในพิภพนาคเราจะได้อย่างไรแต่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปเขาไปพบพัญญาก่อนเล่าเรื่องทั้งปวงให้ปัญญาทราบให้พัญญาหุงข้าวทํากับสําหรับไปกินกลางทางแต่ข้าวสุกไม่ทันที่ใจร้อนจะไปพอมอข้าวเดือกก็ให้พัญญาเทใส่ห่อห่อแล้ววางไว้ในกระเช้ารีบออกเดินทางทันทีข้าวไปสุกในระหว่างทาง เขากินแต่แบ่งไว้หน่อยหนึ่งพบคนเดินทางหิวอาหารเขาจึงให้ข้าวสุกนั้นปรุเจกของอาหารบริโภคพอตามความต้องการแล้วโปรโยอาหารกระมือหนึ่งลงในน้ําประกาศด้วยเสียงอันดังขึ้นสามครั้งว่าหน้ารุดและเทพยีราทั้งหลายขอจงฟังคําของข้าพเจ้าพระราชาปรารถนาจะลงอาทยาแก่ข้าพเจ้าจึงทรงบังคับให้ข้าพเจ้านําดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกบอน ไปถวายให้ทัานเวลาสงสนะในตอนเย็นวันนี้เข้าไปเจ้าได้ให้อาหารแก่คนเดินทางทานนั้นมีอนิสงฆ์หนึ่งพันเข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่ปลาทานนั้นมีอนิสงฆ์หนึ่งร้อยเข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบนเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดนำเดินศรีอรุณดอกกอมุดและดอกอุบลมาให้ข้าพเจ้าด้วยพญานาคจะยินเสียงนั้นจึงแปลงกายเป็นชาชราถามเขาว่าเขาพูดอะไร ผู้ชายนั้นกล่าวซ้ำให้ฟังจริงกล่าวว่าท่านให้ส่วนบุญแก่ข้พาพเจ้าบ้างได้หรือไม่ได้เขาตอบจริงๆนะพญานาคยำจริงจริงข้พาพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยพญานาคจึงนําดินสีอรุณดอกโกมุตระดอกอุบลมาให้เขาได้ของสามอย่างสมประสงค์แล้วกล่าวขอบคุณบุรุษผู้เอื้อเฟื้อแล้วรีบกลับไปยังเมืองสาวัทถีทันทีป่ายพระราชาทรงดําริ ว, ว่าธรรมดามนุษย์มีปัญญาและเวทมนตมากบุรุษมหาเล็ก ได้ของสามสิ่งมาด้วยอุบายอย่างได้อย่างหนึ่งได้หากเป็นดังนั้นความประสงค์ของพระองค์ไม่สําเร็จจึงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองตั้งแต่ยังวันใส่กุญแจแล้วนํากุญแจไปเก็บไว้สีเองบุรุษนั้นกลับมาทันเวลาพระราชาสงศ์แต่เข้าเมืองไม่ได้ตะโกนบอกให้ในายประตูเปิดประตูว่าจนเป็นราชทูตนายประตูบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะพระราชาเอากุญแจไปเก็บไว้สีเองบุรุษจึงเอาดอกไม้แขวนไว้ที่ประตูด้านนอก และโยนก้อนหินเข้าไปภายในกำแพงเมืองแล้วประกาศแก่ชาวพระนครที่มาประชุมกันอยู่ในที่นั้นว่าพี่น้องทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยว่าจิตอันใดที่พระราชารับสั่งให้ทำข้าพเจ้าเดยทําจิตนั้นแล้วพระราชาใ้าอยากให้ข้าพเจ้าพินาศโดยเหตุนันไม่สมควรเขาคิดต่อไปว่าจะไปหลบภัยที่ไหนดีและคิดได้ว่าธรรมดาพิสูจนทั้งหลายเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนควรไปนอนที่วัดเอาพระเป็นที่พึ่ง ฝ่ายพระราชาบรรทมไม่หลับตลอดตราตรีนั้นเพราะความเร่าร้อนในกามพระทัยจดจ่ออยู่ที่หญิงนั้นตลอดเวลาทรงตั้งพระัยว่าพอรุ่งอรุณก็จะให้จับบุรุษนั้นมาฆ่าเสียแล้วนําหญิงพัญญาของเขามาเป็นสนมแต่ตอนมัชิมยามคือระหว่างสี่ทุ่มถึงตีสองได้ทรงสลับเสียงประหลาดก้องขอาหวานขึ้นว่าภุสนานะโซทรงสรุ่งพระไถย วหวาดกลัวว่าอันตรายแห่งชีวิตจะมีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีหรืออันตรายจะเกิดขึ้นแก่ราชบัลลังก์จึงไม่อาจหลับพระเนตรลงได้ตลอดราตรีพอรุ่งอรุณก็รับสั่งให้หาปุโรหิตมาทำานายเหตุการณ์ปุโรหิตไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่คั้นจะทูลว่าไม่รู้ก็เกรงจะเสียภูมิอาจารย์และเสริมจากความน่านถือจึงแกล้งทูลว่าอันตรายแห่งชีวิตจะมีแก่พระองค์ พระราชายิ่งตกพระไทยเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าพระวรกายสั น, นน้อ ย, อยตรัสถามว่าอาจารย์ไม่มีทางแก้ไขอะไรเลยเหรอือมีพระองค์ปุโรหิตตอบอยาทรงวิตกไปเลยข้าพระพุทธเจ้ารอบรู้เจนจบในพระเวททั้งสามต้องมีทางแก้ไขอย่างแน่นอนพระราชาค่อยหายตกพระไทยไปเล็กน้อยปุโรหิตนั่งรับตาอยู่ครู่หนึ่งพอเป็นมายาณทูลว่าขอเดชะพระองค์จะต้องบูชายัญ มีสัตว์อย่างละร้อยเป็นเครื่องประกอบยันมีอะไรบ้างอย่างละร้อยพระราชาตรัสถามปุโรหิตจารนัยอย่างละร้อยดังนี้คือช้างมา้าโคอุศคือโคผู้แม่โคนมแพะแกะไก่สุกรเด็กชายเด็กหญิงรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันปุโรหิตให้บูชายาันด้วยช้างม้าเป็นต้นด้วยก็ด้วยเกรงคนจะครหาว่าให้บูชายันด้วยสัตว์ที่มนุษย์กินได้เท่านั้น เห็นแก่กินพระราชาอันมรณะภัยคุกคามแล้วรีบรับสั่งให้จับสัตว์และคนที่จะบบูชายันมารวมไว้ทันทีคนจับก็จับมามากเกินต้องการเสียอีกพระราชานั้นคิดแต่จะเอาชีวิตของพระองค์รอดด้วยการเอาชีวิตของคนและสัตว์ถึงหนึ่งพันชีวิตมาตายแทนคนตินใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนี้สัตว์และคนมารวมกันอยู่หน้าพระลานหลวงพวกสัตว์ก็ร้องพวกเด็กก็ร้องพ่อแม่ของเด็กก็ร้องไห้เจ้าของสัตว์ก็ ร้องไห้สงสารตัวสงสารสัตว์ของตัวเสียงร้องไห้ระงมไปทั้งพระลานหลวงปานประหนึ่งว่าแผ่นดินจะถล่มพระนางมาริกาเทวีทรงสดับเสียงนั้นรีบเสด็จไปสู่ตำหนักของพระราชาทูลถามเมื่อทรงทราบความทั้งปวงแล้วจึงตรัสว่ามหาราชทำไมพระองค์จึงทรงโง่เขลาถึงปานนี้สวยมากเสีอเปล่าตรงครองแคว้นถึงสองแควนคือกาสีและโกศล แต่ไม่มีปัญญาเลยโ ง, ง่จริงๆทำไมจึงพูดอย่างนั้นมริกาพระราชาตรัสถามพระองค์ลองคิดดูเถิดควรหรือที่จะเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อชีวิตของตนการได้ชีวิตควรจะเป็นผลของการช่วยชีวิตไม่ใช่ผลของการทําลายชีวิตพระองค์ทรงกระทําลงไปโดยไม่มีเหตุผลเลยอันหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอักครบุคคลในโลกทรงรอบรู้เหตุทั้งปวง ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันประทับอยู่ใกล้ๆนี้เองพระองค์ควรจะไปทูลถามพระาศาสดาแล้วกระทําตามคําแนะนําของพระองค์จะไม่ดีกว่าหรือพระราชาทรงเชื่อพระนางมาริกาจึงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ถูกมลณะภัยคุกคามมิอาจทูลอะไรได้ประทับนิ่งเฉยแม้พระาศาสดาจะตรสถามก็ไม่ได้ทูลตอบพระนางมาลิกาจึงกล่าวทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พระศา ส, สดาทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วทรงรู้แจ้งแทงตลอดโดยประการทั้งปวงจึงตรัดปลอบพระราชาว่ามหาบาพิตรย่าได้ทรงวิโตกอะไรเลยอันตรายแห่งชีวิตไม่มีแก่พระ อ, องค์หรือแก่พระอัครมเหสีเสียงที่ทรงสดับเมื่อคือนนี้นั้นเป็นเสียงของสัตว์นรกผู้เคยทํากรรมอันต่ํำทรามไว้สมัยเป็นมนุษย์และบัดนี้กําลังทุกทรมานอยู่ในโลหะกุมพี น, นรกสัตว์นรกเหล่านั้นยกศีรษะขึ้น ดูแลกันและกันปรารถนาจะกล่าวข้อความบางอย่างในใจตนแต่ไม่อาจกล่าวได้กล่าวได้เพียงคนละอักษรแล้วโจมลงไปอีกเสียงนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระองค์เลยเมื่อพระราชาผู้มีพระประสงค์จะทรงทราบเรื่องราวของสัตว์นรกนั้นทูลถามพระศาสดาจึงตรัดเล่าดังนี้ในสมัยพระกสบสัมมาสัมพุทธเจ้าคนมีอายุสองหมื่นปีเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น สเสด็จถึงเมืองพารณสีควรเป็นอันมากชักชวนกันทำบุญแต่มีบุตรเศรษฐีสี่คนชักชวนกันทำบาปคือที่ยวประพฤติผิดการเมสุมิชชาจารย์เห็นใครสวยก็เอาทรัพย์เขาหลอกไม่เลือกว่าเป็นบุตรีใครหรือพันยาของใครพวกเขาสี่คนทำกรรมอย่างนั้นอยู่ตลอดอายุเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่ในอเวจีพุทธันดรหนึ่งทการกิรยาคือตาย ในเอเวจีมหารนรกนั้นแต่เศษคำยังเหลือจึงเกิดในโลหะกุมภีนรกอีกสัตว์นรกตนแรกประสงค์จะกล่าวว่าทุชีวิตัมชีวามหาเป็นอาทิก ว, ว่าเราทั้งหลายเมื่อยังมีพภกทรัพย์อยู่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราจัดว่ามีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าแต่ไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมดกล่าวแต่เพียงคาว่าทุก อักษรเดียวแล้วจมหายลงไปอีกสัตว์นรกตนที่สองประสงค์จะกล่าวว่าเมื่อเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกถึงหกห0 0่ปีบริบูรณ์เมื่อไรจกสิ้นสุดแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงคาว่าสคือสัติวะสะสหัซ่านิเท่านั้นแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่สามประสงค์จะกล่าวว่า สหายทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีนัถีอันโตที่สุดจะมีได้อย่างไรที่สุดจะไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมชั่วพวกเราได้ร่วมกันทําไปแล้วในการนั้นแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงอักษรเดียวคือหนอแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่สี่ประสงค์จะกล่าวว่าเหล่านั้นโซ่หัง่งขึ้นจากนรกแล้วได้กําเนิดเป็นมนุษย์จากเป็นผู้มีใจเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ รักษาศีลและพยายามทําแต่กูุศลกรรมให้มากแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้เพียงอักษรเดียวคือโซแล้วจมลงไปพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงสังเวชสดพระไทยอย่างใหญ่หลวงทรงรำพึงว่าพระธาริ ก, กรรมนี้หนักจริงหนอเราเองก็ทําความเสน e h หาในพัญญาของชายอื่นไม่ได้หลับตลอดคืนตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่สนใจในพัญญาของคนอื่นอีกแล้ว ดังนี้แล้วกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เพิ่งทราบ ค, ความที่ราตรีเป็นของนานเมื่อคืนนี้เองขณะนั้นบุรุษผู้หลบหนีราชภัยสามีของหญิงซึ่งพระบาชาหลงรักนั่งอยู่ที่นั้นด้วยเขาคิดว่าบัดนี้เราได้ปัจจัยอันมีกำลังแล้วเขาหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งอย่างดีแก่เขาจึงกราบทูลขึ้นบ้างว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระราชาทรงทราบความที่ราตรีเป็นของนานเมื่อคืนนี้แต่ข้าพระองค์ได้ทราบความที่โยต์เป็นทางไกลตั้งแต่เมื่อวานนี้เองพระศาสดาทรงเทียบเคียงคําของคนทั้งสองแล้วทรงเข้าพระทัยในความหมายและเรื่องราวทั้งปวงแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าทีคาชาพระโตรติเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาบุรุษนั้นได้บรรลุโสดาปติผล พระเจ้าปเปเสนทิเสเด็จกลับรับสั่งให้ปลดปล่อยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ให้จับมาเพื่อบูชายันคนทั้งหลายทราบเรื่องแล้วกล่าวสรรเสริญพระนางมารีกาเป็นอันมากและให้พรกันเซงแซ่ว่าเราทั้งหลายได้ชีวิตกลับคืนมาเพราะสายพระเทวีพระองค์ใดขอพระเทวีพระองค์นั้นคือพระนางมารีกาเจ้าแม่เนื้อหัวของเราทั้งหลายจงมีพระชนยืนนานเป็นต้นตกตอนเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่า น่าสรรเสริญจริงหนอพระนางมาริกาฉลาดจริงทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ได้ช่วยชีวิตของคนและสัพท์เป็นอันมากไว้ได้พระศ า, ศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพระนางมาริกาไม่ได้เพียงให้ชีวิตทานในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยทรงกระธ ร, ร ม, มาแล้วเพื่อจะประกาศความนั้นพระศ า, ศาสดาได้ทรงนําเรื่องอดีตมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ไม่อดีตการ พระโอรสของพระเจ้ากรุงพระณศีได้บนไว้กับพ ร, ระเทวดาที่ตนสายใหญ่ต้นหนึ่งว่าหากตนได้ขึ้นครองราชสืบต่ อ, ตอจากพระราชบิดาก็จะจับกษัตริย์หนึ่งรอเอ็ดพระองค์กับพระมเหสีหนึ่งรอยเอ็ดเหมือนกันมาทําพรีด้วยเลือดในลําพระศรของกษัตริย์และเทวีเหล่านั้นเป็นเทวดาพรีเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระราชกุมารนั้นได้ขึ้นครองราชจริง แต่หาใช่เพราะการช่วยเหลือของเทวดาไม่แต่เพราะบุญของพระองค์อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าทรงได้ราชสมบัติเพราะการช่วยเหลือของเทวดาจึงเสด็จออกพร้อมด้วยกองทัพอันเกร็งไกลทำสงครามจับกษัตริย์ในร้อยเอ็ดพระนครและมเหสีของกษัตริย์เหล่านั้นเว้นพระนางธรรมทินนาผู้ทรงพระคันแก่ไว้พระนางเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุกเสณ มีพระราชอำนาจน้อยกว่าพระราชาทั้งวงในชมพูทวีปเมื่อจับได้แล้วพระเจ้ากรุงพระนาศีมีพระประสงค์จะให้ข่ากษัตริย์เหล่านั้นด้วยวิธีให้ดื่มน้ำผสมยาผิดให้คนทั้งหลายจัดแจงทำความสะอาดโคนต้นทรายอยู่เทวดาผู้สถิตอยู่ณต้นทรานั้ น, น, น, นเห็นเหตุการณ์ดังนั้นแล้วคิดว่าพระราชานี้คิดว่างานสำเร็จด้วยอนุภาพของเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่หากพระองค์จะสำเร็จโทษกษัตริย์เหล่านี้แล้วจะมีบาปมาก โคลนต้นไม้ของเราก็จะไม่สะอาดเราจะห้ามพระราชานี้ได้หรือไม่พิจารณาเห็นว่าไม่อาจาห้ามได้จึงไปหาเทวดาผู้มีศักย์ใยายอื่นๆศึกษาว่าจะห้ามพระราชาอย่างไรไม่มีใครสามารถให้ความเห็นได้จึงไปเฝ้าเท้าสกตะเทวราชหัวหน้าเทพชั้นดาวดึงเท้าสักกะออกความเห็นว่าให้ท่านนุ่งพาแดงออกจากต้นไม้ขณะที่พระราชานั้นทอดพระเนตรเห็นอยู่พระราชาจับอ้อนวอนให้ท่านกลับ เพื่อรับพรีกรรมของเขาท่านเพิงกล่าวกับประาสาทนั้นว่าท่านบนต่อเราไว้ว่าจักนําพระราชาและมเหสีร้อยเอ็ดพระนครมาทำพรีแต่บัดนี้พระองค์ไม่ได้นําพระนางธรรมทินนามเหสีของพระเจ้าอุกเสนมาข้าบเจ้าไม่ขอรับพลีกรรมของพระองค์ผู้พูดเถิดเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้พระราชาจะให้นําพระนางธรรมทินนามาพระนางจะช่วยปลดปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นได้ ลูกเทวดาได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของท้าวสกะเทวราชเมื่อพระนางธรรมทินนาเทวีมาถึงคติยะสมาคมก็ถวายบังคมเฉพาะพระสวามีของพระนางเพียงพระองค์เดียวทั้งๆที่พระเจ้าอุกเสนนั้นเป็นพระราชาพระองค์น้อยประทับนั่งสุดท้ายปลายแถวกว่ากษัตริย์อื่นๆพระราชาพราณศีทรงกลิ้วตรัสกับพระเทวีว่าเราเป็นใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวงทําไมจึงไม่ไหวไปไหวกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้น้อยกว่าพระราชาทั้งปวง หมอมฉันไม่ไหว่พระองค์เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับหมอมฉันส่วนพระเจ้าอุกเสณเป็นพระสวามีที่ให้ความเป็นใหญ่แก่หมอมฉันหมอมฉันจึงไหว้เทวดายืนอยู่ได้กล่าวอนุโมทนาว่าจริงทีเดียวพระเทวีผู้เจริญพระนางตรัสชอบแล้วแล้วบูชาพระเทวีด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งท่านไม่ไหว้เราก็ช่างเถอะแต่ทำไมท่านเห็นอยู่จึงไม่ไหว้เทวดาของเราผู้ให้สิริให้ความเป็นราชาแก่เราพระเทวีทูลตอบว่า ที่พระองค์จับพระราชาทั้งหลายได้ก็เพราะอนุภาพและบุญของพระองค์หาใช่เพราะเทวดาช่วยจับไม่เทวดากล่าวกับพระเทวีอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางจรันั้นเป็นความจริงแล้วบูชาด้วยดอกไม้กระเมือหนึ่งหากเทวดามีฤทธิ์จับพระราชาหนึ่งร้อยเอ็ดพระองค์ได้จริงแล้วเหตุฉนัยบัดนี้ต้นไม้ใหญ่นี้ถูกไฟไหม้อยู่ด้านซ้ายเทวดาจึงดับไฟนั้นไม่ได้เทวดานุโมทนาอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวี ทีพระนางตรัสนั้นเป็นความจริงพระเทวียืนตรัสอยู่ทั้งทรงกันแสงทั้งทรงพระสวนพระราชาพระนศีตรัสถามว่าเป็นบ้าไปหรือจึงมีกิริยาอย่างนั้นพระนางทูลว่าไม่ได้เป็นบ้าเลยแต่หม่อมฉันร้องไห้เพราะสงสารพระองค์ว่าจะต้องตกนรกหมกไหม้สักเท่าใดในเมื่อข่าพระราชาถึงร้อยเอ็ดพระองค์พร้อมด้วยพระเทวีมีอยู่ชาติหนึ่งหม่อมฉันเคยฆ่าแม่แทะตัวหนึ่งเพียงเพื่อทำอาหาร มารับแขกเพื่อนของสามีเพราะกรรมนั้นหม่อมฉันต้องหมกไหมในนรกนานแสนนานพระเศษแห่งกรรมนั้นหม่อมฉันต้องถูกตัดศีรษะเป็นอเนกชาติเท่าจำนวนขนแพะหม่อมฉันระลึกถึงทุกข์ใจของพระองค์เช่นี้จึงร้องไห้ส่วนที่หม่อมฉันโหระนั้นก็ด้วยยินดีว่าได้พ้นจากทุกข์นั้นแล้วเทวดาได้อนุโมทนาอีกว่าจึงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริง พระราชาแห่งพระนาศีทรงไข่ครวญแล้วทรงสดพระไทยจึงให้ปล่อยพระราชาและพระเทวีทั้งหมดถวายบังคมแก่พระราชาผู้แก่กว่าและประคองอัญชลีแก่พระราชาที่หนุ่มกว่าให้พระราชาเหล่านั้นอดโทษแล้วทรงส่งไปสุนครของตนของตนพระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตนี้มาแล้วตรัสย้ำอีกว่าภิกษุทั้งหลายพระนางมาริกาอาศัยพระปัญญาของพระนางประทานชีวิตแก่มหาชนในบัดนี้ก็หาใหม่ แม้ในชาติก่อนก็เคยทรงทรมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าพรารณสีในการนั้นได้มาเป็นพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพระนางธรรมทินาเทวีได้มาเป็นพระนางมาริการุ ก, กเทวดาคือเราตถาคตนี่แหละพระศาสดาตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปาณาติบาตแล้วอันบุคคลไม่ควรทําเพราะบุคคลที่ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน เมื่อบุคคลรู้ว่าความเกิดมานี้เป็นทุกข์ก็ไม่พึงค่ากันไม่พึงเบียดเบียนกัน